ให้ความสงบมันเกิดขึ้นทุกวันในเวลาที่เราปราศ จ, จากผู้คนเป็นเวลาของเราเองช่วงเวลาสำคัญก็คือก่อนนอนกำลังตื่นนอนเนี่ยมันก็จะไม่มีใครมาคอยยุ่งงุ่นวายกับเรามากก็เป็นเวลาของเราโดยแท้ก็จึงอยากให้ทุกท่านได้มาททำสมาธิ นั่งสมาธิเพื่อทีไไ่ทำความสงบเป็นการให้อาหารใจแต่ทำไมพูดถึงแต่ทำสมาธิโดยการนั่งอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกสติมันไม่มีแค่อริยบทเดียวนะมันมีทั้งยืนเดินนั่งนอน4ี่อริยาบทแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้อริยบท3กันซะมากกว่า คือยืนเดินและนั่งเพราะว่าการที่เรานอนแล้วเราฝึกสติโดยวิธีการนอนเนี่ยมันทำให้ง่ายต่อการที่เราจะหลับพอเรานอนเนี่ยเรานอนดูลมไปนอนบริกรรมพุทโธพุทโธไปเนี่ยแปบ๊บเดียวมันก็หลับแล้วหลับอย่าว่าแต่นอนดูลมหายใจหรือว่านอนนึกถึงคำบริกรรมพุทโธเลยให้นั่งอยู่อย่างนี้แหละ มันก็ง่ายแก่การที่เราจะเข้าภวังแล้วก็หลับไปเหมือนกันแล้วมันเป็นการทำสมาธิที่ดีไหมก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการพักผ่อนจิตนะถ้าเราเข้าภวังแต่การที่เราจะทำให้การฝึกของเราเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดมีผลสูงสุดเนี่ยเราก็ควรจะมีสติ ตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดมีสติอยู่เนืองๆไม่ปล่อยให้กาลังสติของเราเนี่ยมันแช่เชื่อเลือนหลงไปพูดง่ายๆก็คือเราก็จะไม่ปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันไปแช่ในอารมณ์หรือหลบเข้าไปในพวางเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการพักผ่อนเฉย แต่สิ่งที่มันสำคัญมากๆในการที่เราจะมาฝึกสติเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองนะแต่การที่เราจะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเนี่ยสติที่มันคอยเห็นใจอยู่เรื่อยๆอันนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าเรามีสติ คอยดูลมหายใจคอยดูใจตัวเองแล้วสติของเรามันแช่เชื่อเลื่อนหลงไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นใจตัวเองไงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรในการที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติเพราะว่าการที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยผลก็คือเราอยากจะให้มีความทุกข์ลดลงใช่ล่ะแต่การที่เราจะมีความทุกข์ลดลงมีความสุขที่มันเพิ่มขึ้นได้เนี่ย การที่มีสติเห็นใจเนี่ยเห็นกระบวนการของใจเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าเรานั่งสมาธิฝึกสติอยู่แล้วมันก็หลบเข้าพวังไปอันนี้มันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้จักใจของตัวเองเท่าที่ควรมันไม่ทำให้เราเข้าใจหัวใจของตัวเองที่มันไปเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับ สิ่งรอบข้างหรือแม้แต่ความคิดนึกปรุงแต่งและอารมณ์ในใจของตัวเองมันก็จะไม่เข้าใจตามความเป็นจริงได้แต่การที่เรามาฝึกสติอย่างนี้โดยวิธีการนั่งแบบนี้มันก็ง่ายอะ่ะแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่สําหรับบางคนที่อาจจะไม่มีพื้นที่ที่จะไปใช้เดินจงกรม แต่อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าการเดินจงกรมนี่มันเป็นสิ่งจําเป็นนะเพราะว่าการที่เรานั่งสมาธิมันก็อย่างที่ว่าไปง่ายแก่การที่เราจะเข้าพวังหรือหลับแต่การที่เรามาเดินจงกรมเนี่ยมันก็ทําให้สติของเราเนี่ยมันแจะมชัดได้ดีขึ้นการที่สติของเราจะแชร์เชื้อ ใจของเราจะหลบเข้าไปในภวังอย่างนี้มันก็จะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้ยากพอเวลาเราเดินกายเคลื่อนไหวเดินแล้วเนี่ยสติมันก็จะไมชัดไม่แชร์เชิญมากเท่าไหร่มันก็ทําให้เราเอือ้อหรือง่ายต่อการที่เราจะเห็นสภาวะจิตใจของเรา ได้ดีขึ้นกว่าการที่เรานั่งสมาธิแล้วเข้าภวางพูดง่ายคือถ้าเรานั่งแล้วมันเข้าผวางเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เสริมวิธีการอีกวิธีหนึ่งก็คือเดินจงกรมให้มันมากขึ้นอีกให้สัสดส่วนของการที่เดินจงกรมให้มันมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ได้เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ แต่ถ้าเรารบเข้าผวางมันไม่รู้เลยมันก็งี่ย์พักอย่างเดียวแต่การที้มันพักอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใจเข้าใจตามความเป็นจริงอะไรได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้เราเนี่ยก้าวไปก้าวไปบนเส้นทางของการที่จะเป็นผู้ที่มีความทุกข์ลดลงความสุขที่เพิ่มขึ้นได้อย่างดีนะ ก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้หัดเดินจงกรมดูด้วยแต่ผลของการที่เราจะนั่งสมาธิก็ดีหรือเดินจงกรมก็ดีเนี่ยมันเหมือนกันนะแล้ววิธีการก็ไม่ได้ต่างกันเพียงต่างกันแค่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันหยุดนิ่งหรือมันเคลื่อนไหวเท่านั้นเองแต่วิธีการที่เราจะตั้งสติจดจอ่อต่อเนื่องอยู่กับอารมณ์ ของกรรมฐานของเราเนี่ยมันก็เหมือนกันไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ยเราก็ต้องมีสติอยู่เฉพาะหน้าเอาไว้ที่นี้แหละเพราะเราไม่ได้ฝึกกายนะเราฝึกใจใช่ไหมแล้วเราให้อะไรเป็นเครื่องอยู่ของใจเราเราก็ให้ลมหายใจเพื่อที่เป็นเครื่องอยู่ใช่ไหม พอเรามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ที่จมูกของเราเนี่ยมันก็ทำให้เราตั้งสติที่มันเป็นสติเฉพาะหน้าได้ดีพอเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะย้ำยำ้าแล้วก็ยำ้ำให้ท่านฟังเข้าใจก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการลมหายใจหรือเราไม่ได้ต้องการคําบริกรรมพุทโธนะแต่สิ่งที่เราต้องการได้จาก การที่เรามาดูลมหรือคำบริกรรมเนี่ยก็คือสติสติที่เราอยากจะได้มีสติที่มันเป็นสติที่มีคุณภาพนอกจากจะเป็นสติที่นำพาใจให้ห่างไกลจากโลภโทสะโมหะรักะแล้วเนี่ยก็เป็นสติที่คอยจดจอ่อเฝ้ารู้อยู่ที่ใจ ว่าตอนนี้ใจเราอยู่กับเรื่องอะไรอยู่กับลมหายใจไหมหรือว่าเผลอไปทางความคิดหรือว่าไปทางเสียงเหล่านี้เป็นตน้นพอเราเห็นความเผลอของใจเราเนี่ยเราก็จะมีพัฒนาการคือเท่าทันจิตใจเท่าทันความเผลอของจิตใจตัวเองพอเราเท่าทัน ความเผลอเนี่ยเราก็พูดง่ายๆเราก็จะมีความจดจอ่อต่อเนื่องดูใจของเราได้อย่างต่อเนื่องได้ดีซึ่งการที่เรามาดูจิตใจของเรารู้สภาวะของใจของเรารู้เท่าทันจิตใจของเราได้อย่างดีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรามาศึกษาใจได้อย่างเต็มที่ได้อย่างดี รู้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ชอบไม่ชอบเราทำไปด้วยอำนาจความชอบหรือไม่ชอบหรือทำไปด้วยอำนาจของความถูกต้องและการที่พูดมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยก็อยากจะย้ำที่ตรงนี้แหละเรื่องเก่าๆวิธีการเก่าๆวิธีการเดิมๆนี่แหละว่า ให้อยู่กับลมหายใจให้ใจอยู่กับลมหายใจให้ได้พอเรามีสติอยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเห็นสิ่งที่มันจะรู้สิ่งที่เราจะต้องคอยประคองให้มันเห็นบ่อยๆอย่างนี้ได้ก็คือเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นใจส่วนหนึ่งมีสติความเป็นเราอยู่ที่สตินี่แหละที่เห็นกายส่วนหนึ่งต่างหาก เห็นใจส่วนหนึ่งต่างหากที่ไม่ใช่ใจกับกายเป็นอันเดียวกันพอพูดอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้าแล้วเราจะเห็นอย่างนี้ได้ยังไงก็แค่ว่าเรามามีสติอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละเราก็จะเห็นว่าการที่เราไม่ส่งสติของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยจมไปกับลมหายใจแต่เราถอย ใจของเราออกมาจากลมหายใจมาอยู่ที่สติเฉพาะหน้าคอยเฝ้าดูรู้ไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเราจริงๆเนี่ยความรู้สึกของความเป็นเราจริงๆมันคือความรู้ความรู้ที่อยู่ในภายในตัวนี้ร่างกายมันก็เป็นแค่ก้อนอันหนึ่งที่เรากำลังรู้สภาวะความเป็นไปของมันว่ามันนั่งว่ามันกำลังเดิน หรือว่าเดินก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายนี่มันก็เปรียบเสมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ใจเป็นผู้ขับกําลังบังคับอยู่แล้วเราเห็นกายของเราต่างหากจากใจแล้วเนี่ยถ้าให้ละเอียดลงไปนิดหนึ่งเราก็จะเห็นว่ากายอันหนึ่งใจอันหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากายอันหนึ่งใจอันหนึ่งสติอันหนึ่งความคิดอันหนึ่ง มันก็รู้ได้พร้อมๆกันนี่แหละว่ากายเคลื่อนไหวอยู่นะแล้วก็สติคือความเป็นเราตรงนี้แหละที่อยู่กับความระลึกจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายที่มันขยับเนะี่ยแล้วก็อารมณ์ในใจของเราเป็นยังไงอยู่หนักไหมเบาสบายไม่ปลอดโปร่งไหมหรือว่าขุ่นมัวอันนี้ก็เป็นความรู้สึกในใจอารมณ์ในใจแล้วก็ความคิด ที่มันกำลังคิดนั่นคิดนี่อยู่เราก็เห็นเนี่ยไปพร้อมๆกันนี่แหละพอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าสภาวะอย่างงี้มันทำยากแล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้สัมผัสสภาวะแบบนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าใจมัวแต่ไปจมอยู่กับลมหายใจหรือว่าจมกับคำบริกรรมอย่างเดียว แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะย้ำไม่รู้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วเราต้องการสติต้องการสตินะไม่ใช่ว่าต้องการลมหายใจหรือว่าต้องการคําบริกรรมวัพุทธโธไม่ใช่เราต้องการสติที่มันคอยเห็นเนี่ยเห็นแบบนี้แหละเวลาที่เราดูลมหายใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจเราก็จะค่อยๆเห็นมากขึ้นนี่แหละว่าใจอันหนึ่งใจนหนึ่ง แต่ไม่ใช่เห็นสภาวะแบบนี้ได้เฉพาะตอนที่เราเข้าสนามซ้อมนะเอาไฟังซึ่งบางคนเนี่ยก็เข้าใจผิดเยอะเลยว่าเราจะทำเฉพาะตอนที่เราอยู่ในสนามซ้อมเราเห็นมันได้เฉพาะตอนที่เรามีเวลาปลีกออกจากหมู่คณะมาอยู่คนเดียว เหมือนอย่างตอนนี้ที่ไม่มีใครมากวนเราแล้วเราก็ทำความสงบเราก็คอยเห็นกายเห็นใจแยกกันต่างหากอย่างนี้ซึ่งมันจะเป็นเวลาที่เราจะรู้สภาวะอันนี้ได้แต่ก็ต้องบอกเพืนฟังเลยว่าถ้ามีความเห็นแบบนี้เนี่ยเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะเราต้องทาให้เราเห็นสภาวะอย่างนี้เนี่ย อยู่ได้ตลอดแต่พอพูดคําว่าตลอดเนี่ยมันก็ฟังดูแบบยากใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันต้องทํานะเพราะถ้าเราต้องการที่จะพ้นทุกข์เราต้องการที่จะลดทอนความทุกข์เราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยของการที่เราจะลดทอนความทุกข์ใช่ไหมและอันนี้แหละคือเหตุปัจจัยพื้นฐานเหตุปัจจัยสําคัญพื้นฐานที่ มันจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์แต่เราสามารถทำให้มันได้มีได้เฉพาะช่วงเวลาก่อนนอนหรือช่วงเวลาที่เราไม่คลุกคลีไม่ยุ่งกับใครเนี่ยอ่าแล้วเวลาที่เหลือล่ะเรามีเวลาที่เราจะคลุกคลีกับคนอื่นต้องทำงานทาการไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยมันมีมากกว่ามากกว่าเวลาที่เราจะอยู่คนเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยว่า ถ้าเรายังตั้งเงื่อนไขให้เราว่าเราเห็นสภาวะว่ากายอันหนึ่งใจอันหนึ่งความคิดอันหนึ่งอารมณ์ในใจอันหนึ่งได้เฉพาะตอนที่เราอยู่คนเดียวอันนี้มันก็จะทำให้เราแก้ความทุกข์ตัวเองเนี่ยได้เฉพาะช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวเท่านั้นแต่การที่เราจะมีความสุขหรือความทุกข์ที่มันลดลงเนี่ยเราต้องการตอนไหนเราต้องการตอน สำคัญสำคัญคือในระหว่างวันด้วยในระหว่างเวลาที่เรายังต้องพบปะผู้คนด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แทรกปัจจัยพื้นฐานปัจจัยสำคัญอันนี้ลงไปในช่วงเวลาเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ทุกได้ไหมมันจะแก้ทุกไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เท่าทันใจเราเองเราไม่รู้ใจว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไง สติที่มันเป็นสติที่เป็นสัมมาสติมันไม่เกิดขึ้นเป็นสติแบบเก่าเป็นสติที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อวิราคะไม่ได้เป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้เพราะมันกุมใจเราอยู่แต่ถ้าเราพยายามแทรกสติที่มันเป็นไปเพื่อวิราคะเป็นไปเพื่อความดับไม่เหลือเป็นไปเพื่อความ สงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อ น, นิพานเหล่านี้เนี่ยถ้าเราทำให้มันเกิดขึ้นได้ในทุกๆจังหวะของชีวิตเราชีวิตเรามันต้องลดทอนความทุกข์ได้แน่นอนความทุกข์ก็จะย่ายีหัวใจเราได้ยากขึ้นแน่นอนถ้าเราหมั่นคอยเห็นกายเห็นใจตัวเองอยู่แม้ในขณะที่เรากำลังทำงาน แม้ในขณะที่ไม่ได้ทำงานแม้ในขณะที่เราอยู่คนเดียวหรือไม่ได้อยู่คนเดียวอันนี้จำเป็นนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกให้ฟังว่าการที่เราเข้าสมาธิแล้วเราก็เงียบไปอย่างเดียวเนี่ยอันนี้มันยังใช้แก้ทุกข์ได้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติคอยเท่าทันใจอันนี้ต่างหาก พอเรามีสติคอยเท่าทันใจแล้วใจเรามีความสงบเกิดขึ้นในระหว่างที่เรามีสติเท่าทันใจในขณะที่เราลืมตาอยู่ในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ได้เนี่ยอันนี้มันจะแก้ทุกข์ได้จริงๆไม่ใช่ว่าหลับตาแล้วมันจะแก้ทุกข์ได้อย่างเดียวไม่ใช่เราต้องแก้ทุกข์ได้ทุกๆขณะของชีวิตเราไม่ว่าจะลืมตาหลับตาเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นมันก็อยู่บนพื้นฐานของการที่เราจะต้องมีสติให้ได้อยู่ตลอดให้ได้อยู่เนืองเนื่องเพราะฉะนั้นเราต้องทําเหมือนพวกนักกีฬาที่เขาซ้อมอยู่ประจาซ้อมอยู่ประจำซ้อมซ้อมๆ้อมซอมมเวลาที่เขาพักจากตารางการซ้อมของเขาจริงๆเนี่ยบางคนก็ยังจะไปซ้อมอยู่นะเพราะอะไรเพราะมันอยากจะมีพัฒนาการไง ก็ทําให้มันดีมีแก่ใจทําเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะทําตลอดมีเวลาว่าเมื่อไหร่ใจมันก็จะไปอยากจะไปซ้อมนั่นแหละแต่การที่เราทําตัวให้เราเหมือนนักกีฬาอย่างนี้ไม่ได้เนี่ย mm. ก็คือเป็นยังไงก็คือกลับไปเป็นแบบเก่าๆใช่ไม่มแล้วคิดว่าเออเราได้ทําแล้วล่ะเออทำํำถ้าเราได้ทําแล้วชีพต้องดีขึ้นสิ แต่เราลืมคำหนึงไงในปัจจัยเนี่ยเหตุปัจจัยเราทําอะไรได้เท่าไหร่ผลที่ได้มันก็ตามเหตุปัจจัยของเรานี่แหละถ้าเรามีสติอยู่แค่วันหนึ่งถัวเฉลี่ยแล้วสองสามชั่วโมงเราก็แก้ทุกมีศักยภาพในการแก้ทุกแค่สองามชั่วโมงเท่านั้นแหละพรอผู้อย่างนี้แล้วก็อยากจะยกตัวอย่างมันตอนที่สมัยเราเด็กๆไงแหละตอนนั้นเอ็นทรานใช่ไหมโอ้ตอนนั้นนี่ก็คิดว่าจะ ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเพราะเราก็ไม่เก่งไม่ใช้สามัญสังคมอะไรพวกนี้นะกล่าวว่าไม่หวังแต้มจากพวกนี้แหละแต่ก็จะไปหวังแต้มจากเลขหวังแต้มจากฟิสิกส์เคมีอะไรพวกนี้ก็พยายามหมั่นซ้อมทําโจทย์เก่าๆเอาข้อสอบเก่าๆมาทําก็พยายามทำนั่นแหละทําจนรู้สึกว่ากินข้าวก็ทํ า, าทเวลาว่างก็ เอาโจทย์มาทําไม่ว่าเวลาไหนๆถ้ามันมีว่างปุ๊บเนี่ย <_ d ata> ก็เอาโจทย์มาทําทันทีหลังหลังจากที่ทําไปได้สักพักเริ่มมีความชํานาญเนี่ยอย่างเลขเนี้ยหรือหรือฟิสิกส์เนี่ยก็ไม่ต้องใช้ดินสอนะว่าคันเถอะเพราะเราทํามันบ่อยๆจนทดอยู่ในหัวได้นะมาคันเถอะนะพอทดอยู่ในหัวได้เนี่ย มันแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงว่าหายใจเข้าหายใจออกนี่มันเป็นการที่เราจะทบทวนมันอยู่ตลอดเวลานามาใช้อยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้อยากจะอวดตัวเองนะแต่แบบอยากจะสร้างให้เห็นภาพไปแล้วว่ามันต้องให้มันแบบนี้นะการภาวนาการพ้นทุกข์มันก็ต้องให้ได้แบบนี้นะการที่เราจดจ่อทามันอยู่เรื่อย มีเกจใจทํามันอยู่ไม่ว่างเว้นเะนี่ยเพราะฉะนั้นสําคัญอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะว่าเราตั้งใจจะสร้างเหตุให้มันเกิดขึ้นได้บ่อยขนาดไหนที่ขนาดไหนถ้าเราเอาเงื่อนไขของการที่เรามีงานเอาเงื่อนไขของชีวิตประจําวันมาเป็นข้ออ้างเนี่ยเราก็จะไม่ได้แทรกมันลงไปในชีวิตประจําวันของเราแต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้การงานก็ดีหรืออะไรก็ดีมาเป็นเงื่อนไขกับใจ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีการงานหรือไม่มีการงานทำยากหรือทำง่ายเราจะแทรกมันลงไปตามเหตุปัจจัยของเราที่เราทำได้อาจจะทำได้ไม่ดีในนักขณะที่คนมากแต่เราก็จะใส่ความใส่ใจของเราลงไปใส่ใจที่จะคอยเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดอยู่เรื่อยๆเนืองเืองแล้วอันนี้แหละมันจะทำให้ สติของเราเนี่ยมันเกิดได้ดีขึ้นเกิดได้บ่อยขึ้นแล้วเราก็จะเห็นสภาวะอันนี้ได้ที่ขึ้นบ่อยขึ้นสภาวะที่ว่าคือกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งอารมณ์ในใจอันหนึ่งความคิดอันหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นกายเห็นใจนี่แหละว่าเอมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรเที่ยงแล้วมันบอกว่าเป็นกายจริงๆอ่ะมันใช่ไหมแล้วมัน สิ่งที่เราเห็นข้างนอกก็ดีตัวเราเองก็ดีเนี่ยมันใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาจริงหรือเปล่าเราก็จะค่อยๆพัฒนาจิตใจให้มันเป็นไปตามธรรมะอย่างนั้นได้ดีขึ้นดีขึ้นซึ่งวันนี้ก็เยอะแล้วก็อยากจะบอกท่านฟังว่าอย่าเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวหาเวลาไปเดินจงกรมด้วยหาเวลาไปเดินจงกรมบ่อย มันจะได้เป็นการฝึกให้เราคอยเห็นสภาวะจิตใจกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งสติอันหนึ่งอารมณ์ในใจอันหนึ่งเนี่ยได้ดีแล้วเราก็จะใช้ชีวิตประจำวันควบคู่ไปกับธรรมะได้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะฝากกด subscribe ช่องอ a s y ่ธรรมะให้ด้วยแล้วถ้านั่นก็แชร์ให้ด้วย ให้คนอื่นเนี่ยได้มีโอกาสรับรู้ถึงข้อมูลที่จะเอาไปพัฒนาความสุขและลดทอนความทุกข์ให้กับชีวิตของเขาสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนจเจริญพร